ห0 Languages ในห้างสรรพสินค้าเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมมกมบ ดิฉันต้องไปซื้อของมาไปซิสเอสมาไปออนซิสเซอดิฉันอยากซื้อของหลายอย่างมาตะฮอตเแผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนคะกุสซอโรคกบ ดิฉันต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียนริดิดิฉันต้องการปากกาลูกเลื่นและปากกาเมจิกรเมากยแผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน กุ s ลม m ö เปลดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชักมูลนิยมกาแฟกุมมุติมูลนิยมกาแฟกุมมุติดิฉันต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชันวางหนังสือมู vaja k, k i r j ์ t u s l a u ล a ja raama า u ุรียลตมย่ารมตุรีิต แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะ i ุชอนแมงกูอัชตกุชอนแมงกูอัชต์ดิฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหนีมุลลอนวาญุกุยอากิสุการุมุลลอนว n ญุกุยอากิสุกา r ุดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุกมุลลอนวาญุยัลกไปล i ่ยามาเลเมนกุมุลลอนวาญุยัลกไปลี่ยามาเลเม u แหนเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะกุ s o n ตตดิดิฉันต้องการคอนและคีมหอวหมริซดิฉันต้องการสว่านและไขควงปรมวปูริยครูวรต แผนกเครื่องประดับอยู so ่ที่ไหนกุชเนตเต็ดกุชเนตเต็ดดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือมุลวกตแกวรุดิฉันอยากได้แหวนและต่างหูซึยร